นะก็ขอเจริญพรตอนนี้ก็ได้เวลาสิบโมงตามนัดก็ทบทวนคราวที่แล้วสักหน่อยหนึ่งเนาะที่ผ่านมาเคยตั้งประเด็นว่ารู้ธรรมชาติที่กำลังปรากฏนะรู้ธรรมชาติที่กำลังปรากฏนะก็ได้ยกตัวอย่างไปแล้วว่า สิ่งที่กำลังปรากฏทางหูทางตาทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่มันมีหกทางที่จะรับรู้ได้ทั้งหมดนี้คือเป็นธรรมชาติทั้งหมดหมายความว่าธรรมชาติเป็นผู้ให้มีสิ่งนี้ขึ้นมานะเราเองเนี่ยตัวเราเนี่ยไม่ได้ประดิษฐ์ไม่ได้คิดไม่ได้สร้างไม่ได้ทำอะไรทั้งหมดเลยนะแล้วก็ได้ชี้บอกเลยว่า ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยไม่ว่าสิ่งที่กําลังปรากฏหรือว่าการรับรู้สิ่งที่ปรากฏมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่เราเนาะมันไม่ใช่ของเรามันมีแต่ธรรมชาติร้อยเปอร์เซนอันนี้คือหมายว่าว่าเราต้องคุยกันให้เข้าใจในเบื้องต้นก่อนคือระดับปัญญาจากการได้ฟังเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้พูดถึงเรื่องนี้แบบชนิดที่ว่าพูดกันแต่เรื่องนี้ว่าทุกอย่างเป็น เป็นธรรมชาติซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราด้วยธรรมชาติก็ไม่ใช่เราและก็ไม่ใช่ของเราตรงนี้เพื่อจะถอดถอนความเห็นผิดที่เหมือนมันเคยติดข้ามพบขัน้นชาติมาไม่รู้นานเท่าไหร่แล้วที่หลงผิดกันมาพอเกิดครั้งหนึ่งก็ยึดนะยึดสิ่งที่มีสิ่งที่ปรากฏยึดหมดเลยเป็นของตัวเป็นของเราเป็นเราเป็นของเรา แล้วก็พอตายตายไปเนี่ยไอความยึดเนี่ยมันก็ยังมีอยู่เขาเรียกว่าติดวิญญาณไปเพราะนั้นวิญญาณเนี่ยวิญญาณเนี่ยที่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่เนี่ยวิญญาณเนี้ยก็ยังจะต้องทำให้มีการเกิดอีกพอเกิดได้สิ่งใดมาได้ได้กายอย่างใดมาก็ยึดกายนั้นเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนนะแล้วก็ยึดวิญญาณอย่างเหนียวแน่นก็ว่ายังเป็นของตนอยู่แล้วก็พอร่างกายตาย ขันห้าแตกวิญญาณนี้ก็ต้องไปเกิดอีกไปเกิดอ่ดีนี้ก็เวียนเกิดเวียนตายนี่เขาเรียกว่าวัฏฏสงสารคือไม่จบไม่สิน้นที่มันไม่จบไม่สิ้นเพราะว่าไม่เข้าใจถูกเสียทีว่าจริงๆแล้วมันไม่มีเราแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นของเราอ่ะเพราะนั้นที่เราเกิดมาในชาติปัจจุบันเนี้ยที่เรียกว่าเป็นมนุษย์เนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทาความเข้าใจให้ดีว่า จริงๆเราไม่ได้เกิดมาแต่สิ่งที่เกิดมามีแต่การปรากฏการของธรรมชาติแล้วก็หมดไปหมดไปอันนี้คือที่มาที่ไปก่อนหน้านี้ที่เราเคยคุยกันให้รู้ถึงสิ่งที่กําลังปรากฏแล้วก็วันถัดมาก็ได้พูดถึงให้รู้สิ่งที่ปรากฏและสิ่งที่ไม่ปรากฏโอมีแถมมาอีกตัวอันคือสิ่งที่ไม่ปรากฏไอ้สิ่งที่ปรากฏก็เริ่มรู้จักแล้ว นะปรากฏทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจรู้จักแล้วแต่ในธรรมที่ขั้นสูงยิ่งขึ้นไปอีกก็คือต้องรู้จักธรรมชาติที่ไม่ปรากฏด้วยอย่างนี้จึงจะรู้เขาเรียกว่ารู้ครบถ้วนรู้ครบถ้วนเพราะว่าธรรมชาติที่ปรากฏเนี่ยธรรมชาติเนียเมื่อเกิดมาจะต้องดับไปแต่ธรรมชาติที่ไม่ปรากฏนั่นหมายความว่าเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้เกิดมาเมื่อ เป็นธรรมชาติที่ไม่ได้เกิดมาก็ย่อมไม่มีการดับไปเพราะฉะนั้นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏนี้แหละเรียกว่าเป็นอมตะธาตุเป็นอมตะธรรมเป็นนิพพานธาตุเป็นที่สุดแห่งทุกข์จริงๆการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์หรือว่าปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเดี๋ยวหลวงพ่ต้องพูดดีๆออการปฏิบัติเพื่อ ให้ออกจากทุกข์หรือเพื่อพ้นทุกข์เนี่ยจริงๆเนี่ยเรื่องทุกข์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเขาเรียกว่าเป็นสัจจะความจริงคือพระพุทธเจ้าไปพบมาว่าทุกขนี้มีอยู่เนี่ยที่เราก็เป็นอริยสัจเนี่ยอริยทุกขสัจเนี่ยคือทุกนี้มีอยู่แล้วก็พร ะ, พ, ระพุพะทธเจ้าก็ไปพบสิ่งที่ไม่ไม่เป็นทุกข์ก็มีอยู่เพราะฉะนั้นทุกข์กับความไม่เป็นทุกข์มีอยู่ พระพุทธเจ้าจะเกิดมานะจะเกิดมาในโลกนี้จะรู้เรื่องนี้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ธรรมชาติของทุกข์กับความไม่ทุกข์นี้มีอยู่พอพระพุทธเจ้าได้ต ร, รัสรู้ท่านก็เลยมาโปรดพวกเรานี่แหละโปรดก็คือมาบอกมาสอนมาชี้เพื่อให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักทุกข์เป็นอันดับแรกก่อนว่าทุกข์นี้มีอยู่ แล้วก็เมื่อรู้จักทุกแล้วเนี่ยนะปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านสอนนะก็หลักธรรมที่เป็นทางเนี่ยนะเป็นอริยมรรคเนี่ยก็คืออะไรอริยมรรคมีองค์8นะถ้าพวกเราเคยได้ได้เรียนมาก็คือมีมี ม, ม, มีอ่าก็เรียกว่าในองค์มรรคเนี่ยมี8อย่างนะเช่นบอกว่าเรื่องสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบสัมมาวาจาวาจาชอบ สัมมาวายาโมเอ้ยสัมมาเดี๋ยวหลวงพ่อพูดเป็นภาษาบาลีมันอาจจะจะยากไปนะพูดเป็นว่าคือมีความเห็นถูกต้องอันที่หนึ่งแล้วก็อันที่สองมีการดำริชอบคือดำริที่จะออกจากกามออกจากการพยาบาทออกจากอะไรพวกนี้แล้วก็การทําการงานชอบคือเป็นการงานที่ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมนะไม่เบียดเบียนแล้วก็วาจาชอบคือการพูด พูดดีไม่พูดเฟอเจอร์ไม่พูดโกหกไม่พูดสอเสียดนะแล้วก็การ อ, อ, อะไรอ่ะไล่มาถึงไหนแล้วการงานชอบวาจาชอบการการความเพียรชอบความเพียรชอบก็คือเพียรในการที่จะละพวกอากุศลที่มันเกิดแล้วเนี่ยละก็คือให้มันมันหมดไปแล้วก็เพิ่ม อ่าสิ่งที่เป็นกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นอ่าแล้วก็ต่อมาก็คือสัมมาสติคือสติชอบคือความระลึกได้นะแล้วก็เออสมาธิชอบคือความตั้งมั่นนะความตั้งมั่นของจิตคือมีความมั่นคงนะมีการเาเราียกว่าไม่การตั้งมั่นก็คือว่าเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นหมายความว่าไม่หวั่นไหวต่อสภาพแวดล้อมที่ปรากฏรอบข้าง อันนี้หลวงพ่อพูดอย่างย่อๆนะว่าทางที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัส ร, รู้แล้วก็มาบอกพวกเราว่าทางนี้คือทางที่จะเข้าถึงความบริสุทธิ์คือพ้นจากทุกข์ได้ทีนี้พวกเราที่สําคัญนะเมื่อเราปรารถนากันที่จะให้พ้นทุกข์จริงๆเนี่ยนั่นหมายความว่าจะต้องอยู่ในทางนี้ครบถ้วนบริบูรณ์ผิดทางแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็ไม่อาจาที่จะ บรรลุธรรมสูงสุดได้ทีนี้ในแปดข้อนี้ถ้าหลวงพ่อสรุปให้ย่อลงนะในเมื่อกี้มีแปดใช่ไหมให้ย่อลงก็คือจะมีศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาพวกเราก็ต้องสำรวจก่อนว่าศีลอย่างน้อยเราก็รู้จักแล้วคือไม่ทาเขาเรียกว่าไม่ไม่พูดมันศีลก็เก็บกายวาจาเนาะคือไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายไม่ลงมือกระทำที่ทําให้ตัวเองหรือคนอื่นเดือดร้อน ตรงนี้ต้องดูก่อนว่าออที่เรามุ่งหน้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรายังมีสิ่งนี้ไหม ย, ยังผิดศีลไหมออถ้าผิดศีลก็ต้องละมันคือหมายความว่าต้องปรับตัวใหม่อย่าไปทำผิดให้เดินในทางที่ถูกตามที่ศีลบัญญัติไว้แล้วก็เรื่องสมาธิถ้าคนเราไม่มีศีลเรื่องสมาธิเนี่ยเกือบไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่า มันเป็นสมาธิไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีเหตุปัจจัยมีแต่จิตความวุ่นวายแล้วก็มีแต่ความคิดอกุศลมีแต่อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นสมาธิที่จะมีได้ก็ต้องเริ่มจากศีลก่อนพอมีศีลเสร็จแล้วเนี่ยการที่จะฝึกสมาธิก็ไม่ยากแล้วเนาะทำให้จิตสงบจิตตั้งมั่นจิตมีความสุขมีปิติมีความอิ่มเอิบใจซึ่งเป็นตัวหล่อเลี้ยงชีวิตทาให้ชีวิตเนี่ยดารงอยู่ด้วยมีความเขาเรียกว่ามีความสุข แต่แค่นี้ไม่พอจะต้องเจริญในขั้นปัญญาเจริญในขั้นปัญญาก็คือต้องมีเขาเรียกว่ามีปัญญาปัญญาไม่เหมือนกับปัญญาทางโลกเนาะปัญญาในทางธรรมะคือปัญญาในการที่รู้แจ้งรู้รู้แจ้งเห็นตามความเป็นจริงว่าทมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะทมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่เป็นสังขารเนี่ยมันมีความเปลี่ยนไป คือมีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์มีความเป็นอนัตตาไม่เที่ยงก็คือเนี่ยเปลี่ยนแป ล, ปลวนตลอดมีลักษณะเป็นทุกข์คือทนได้ยากนะบีบคั้นทำให้มีการเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็อนัตตาคือความที่บังคับอะไรไม่ได้สักอย่า ง, งจะสั่งให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ให้เป็นไปตามหวังตามใจหวังสั่งไม่ได้แล้วสิ่งที่ปรากฏนั้ น, น, น เมื่อเกิดแล้วมันก็หมดไปหมดไปพอหมดไปตรงนี้มันไม่อาจจะเรียกว่าเป็นตัวตนได้เพราะฉะนั้นคำว่าปัญญาคือการรอบรู้ในกองสังขารเห็นว่าสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทีนี้เมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าในอริยมรรคมีอแปดมันมีแดอย่างถ้าย่อมามันก็เหลือสมอย่างให้ย่อให้ยิ่งกว่านี้อีกก็คือเริ่มต้นด้วยสติ นะแต่จริงๆมันก็มีปัญญาผสมอยู่แล้วแหละแต่ว่าตัวเด่นตัวที่เด่นมากก็คือให้มีสติเป็นตัวนำถ้ามีสติมันก็จะมีศีลถ้ามีสติก็จะมีสมาธิถ้ามีสติก็จะมีปัญญานะตรงกันข้ามถ้าขาดสติก็คือขาดศีลขาดสติขาดสมา ธ, ขามาธิขาดสติขาดปัญญา เพราะฉะนั้นเหลือหนึ่งเดียวที่จะหนทางที่จะไปให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ก็คือมีสติเพราะฉะนั้นมีสติเนี่ยภาษาที่เราใช้เรียกกันในวงการธรรมะเขาเรียกว่าเรียกแบบภาษาคนไทยนะเขาเรียกว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวคือมีสติระลึกได้ถึงตัวตัวเองเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยมันมีร่างกายแล้วก็มีจิตใจเนา ะ, ะแล้วก็ให้มีสติเห็น ความเป็นไปของร่างกายว่าร่างกายมันเป็นยังไงมันมีความแปรปลวนไหมมันคงที่ไหมเออมันเสื่อมไหมเนี่ยตอนนี้คือเมื่อรู้ตัวแล้วก็จะเห็นความเกิดขึ้นความเสื่อมของร่างกายแล้วก็ทางจิตใจก็เหมือนกันก็มามีสติระลึกได้ถึงความรู้สึกในจิตใจว่าจิตใจเนี่ยมันมีความแปรปลวนไหมมันคงที่ไหมเวลามีความสุข แล้วความสุขนี้มันเที่ยงไหมออมันเปลี่ยนได้ไหมเวลามีความทุกข์ความทุกข์นี้มันเที่ยงไหมมันเปลี่ยนไหมแล้วก็ในจิตใจมันมีความคิดไหมออมีความคิดไหมมีอารมณ์ต่างๆไหมสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของสติที่จะต้องให้เกิดการระลึกได้ว่าในกายในใจมันมีอะไรบ้างทีนี้ผู้ที่ฝึกสติก็ย่อมตามเห็นเนาะย่อมตามเห็นตามรู้ได้อยู่ว่า เ อ, อขณะปัจจุบันเนี่ยร่างกายจิตใจมันเป็นอย่างไรก็จะรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจร่างกายมันเป็นอย่างไรก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นอย่างไรก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นตรงนี้แหละคือเป็นจุดที่จะต้องเริ่มฝึกเริ่มทำให้มีก็คือมีความเพียรมีความเพียรเพียรขนาดไหน พูดที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและก็เป้าหมายคือให้พ้นทุกข์ในชาตินี้ได้จะต้องมีความเพียรก็คือตลอดเวลายกเว้นที่หลับพูดแล้วเหมือนกันโอ้โหท้อไปเลยโอ้โหนี่เราจะมีความเพียรทั้งวันทั้งคืนเหรอเนี่ยตายแน่ๆไม่ถึงขนาดนั้นความเพียรในที่นี้ก็คือไม่ใช่ว่าเอาจิงเอาจังเพื่ออยากจะได้เพื่ออยากจะมี เพื่อที่จะเป็นอะไรทักอย่างไม่มีเพียงแต่ว่าให้รู้เล่นๆไปหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านบอกว่าการฝึกสติเนี่ยทําเล่นๆแต่ให้ต่อเนื่องทําเล่นๆแต่ให้ต่อเนื่องนี่ภาษาของท่านนะเออมันก็คลายเครียดหน่อยก็คืออ๋อก็คือรู้รู้เบาๆรู้เล่นๆไปอย่างนั้นแหละนะรู้เล่นๆไปเช่นนะหลวงพ่อยกตัวอย่างคําว่ารู้เล่นๆรู้แบบสบายๆเนี่ย เช่นสมมติว่าโยมนั่งเขย่าขาเนาะพอขาก็คือร่างกายร่างกายกําลังกระดุกกระดิกกาลังเคลื่อนไหวเอาการเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งระลึกรู้ของสติก็คือเจตนาก่อนเจตนานั่งขยับเท้าเนี่ยโยมนั่งอยู่เนี่ยนั่งกระดิกเท้ากระดิกขาเนี่ยเล่นเล่นเล่นเล่นอย่างเนี้ยแล้วก็มันก็รู้ได้เนี่ยว่าอ๋อเออเท้ากําลังขยับขยับอยู่เล่นเล่นแบบเนี้ยเนี่ยเล่นเลเล่นเล่นไปขยับ ขาขวาบ้าง ข, า, ขาซ้ายบ้างสลับไปเล่นเล่นเล่นเล่นอ่าทีนี้เราฝึกได้ตรงไหน่ะก็คือปัจจุบันนี้ก็ฝึกได้เนี่ยตอนนี้ระหว่างที่เรากําลังนั่งฟังหลวงพ่อเนาะฟังไปแล้วก็ขยับเท้าอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกถึงเท้ามันเคลื่อนไหวตรงนี้ก็มีสติแล้วมีสติในเบื้องต้นแล้วคือระลึกได้อยู่ว่าอืม่มร่างกายกําลังเคลื่อนไหวอ่าแล้วก็พอเราใช้เป็นอย่างนี้นะก็สามารถขยับเท้าขยับขาได้ทุก ทุกการเลยจะนั่งรถจะนอนจะนอนเนี่ยขยับขาก็ได้จะเดินขยับขาก็ได้ยืนเฉยๆยืนรอรถเมยยืนรอใครสักคนหนึ่งก็อาจจะขยับในการเคลื่อนไหวคือเดินเล็กๆน้อยๆคือให้มันรู้ตัวถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายอืเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเดินจะนั่งจะนอนจะอะไรเนี่ยก็ฝึกกับการรู้ตัวหมายถึงว่าฝึกสติ ก, กับการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ รู้ไปเล่นเล่นแบบนี้มันก็จะทําให้สะสมสติก็คือทําให้เกิดตัวรู้ขึ้นมาตัวรู้คือเมื่อก่อนเนี่ยร่างกายมันขยับเนาะเท้ากระดิกก็ไม่รู้ตัวเดินไปเดินมาก็ไม่รู้ตัวเพราะว่ายัางไม่ได้ฝึกให้มีตัวรู้ยังไม่ได้ฝึกให้มีสติแต่พอฝึกมากๆเนี่ยอ๋อพอร่างกายเคลื่อนไหว เจตนามันก็รู้บางทีร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้เจตนานะมันก็รู้เนี่ยตรงนี้มีตัวรู้แล้วตัวรู้มันเริ่มเกิดตัวรู้เริ่มทํางานก็คือเริ่มรับรู้ในส่วนที่ร่างกายเคลื่อนไหวต่อมาก็มักฝึกเรื่องความรู้สึกเวทนาทางกายเวทนาทางกายคือความไม่สบายกายจริงๆความไม่สบายกายมันก็มีอยู่แล้วนะตั้งแต่เกิดแต่ทีนี้เราไม่ได้ฝึกพอไม่ฝึกเสร็จเราก็ไม่เข้าใจว่า ความไม่สบายกายเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของสติได้เป็นเครื่องระลึกรู้ของสติได้ก็เลยให้ความไม่สบายกายมันผ่านไปแบบเป็นทุกข์อ่ะผ่านไปแบบเหมือนกับว่าทาให้ความเหมือ น, นว่าไม่ได้ประโยชน์จากการฝึกมีสติเลยแต่ถ้าเรามีความเพียรฝึกมีสติก็คือว่าอะเวลาจะเดินจะนั่งจะนอนจะยืน มันมีความรู้สึกไม่สบายกายขึ้นมาในขนาดใดก็รับรู้ถึงความไม่สบายกายว่าเออร่างกายมีความไม่สบายเกิดขึ้นในในกายแล้วเนาะก็ระลึกรู้ก็เห็นอยู่รู้อยู่ก็รู้เล่นๆนั่นแหละมันมันปวดมันเมื่อยก็รู้เล่นๆไปนะทีนี้อาการรู้เล่นๆแบบนี้มันทำให้ใจมันไม่ทุกข์ไงเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเอาความไม่สบายกายเนี่ยเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องฝึกของสติ พอมันไม่สบายกายก็อ่ารู้แล้วรู้แล้วอ่ารู้แล้วก็คือเออรู้แล้วถ้ากับได้ฝึกสติแล้วพอฝึกสติมันก็สนุกดีจะปวดมากปวดน้อยมันก็รับรู้เออรู้แล้วรู้แล้วเราฝึกให้มีตัวรู้เนาะเราไม่ได้ฝึกเพื่อที่จะไปยึดความสบายหรือไม่สบายไอ้ตรงนั้นน่ะมันเป็นแค่สิ่งที่ปรากฏอ่ะมันเป็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้เท่านั้นเองเมื่อรู้แล้วอ๋อแสดงว่าสติได้ตื่นรู้แล้ว ก็รู้ไปเล่นเล่นนี่หลวงพ่อพูดมาแบบแบบคร่าวๆนะแต่ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยจะต้องไปไปไปฝึกไปฝึกรู้อย่างที่หลวงพ่อบอกแล้วมันก็จะเกิดสติทําให้เขาเรียกว่ามีความก้าวหน้าในการในทางอะไรก็เรียกว่าในการฝึกมากขึ้นแล้วก็อทีนี้มันจะไปรู้อะไรอีกอะเมื่อกี้ทางกายทางเวทนาทางกายต่อมาก็ฝึกรู้จิตบ้าง รู้จิตรู้จิตก็คือรู้อะไรในชีวิตประจําวันเรานะมันมีอารมณ์อะไรบ้างอะที่เกิดขึ้นในจิตเช่นเวลามีโทสนะเนาะคือมีความโกรธมีความโมโหมีความหมงุดหงิดเนี่ยสิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นในใจเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งนี้ปรากฏอยู่แล้วก็รับรู้ได้ว่าอ๋อมันโกรธแล้วอ๋อก็รู้ว่าโกรธเห็นไหมมันโกรธแล้วก็รู้ว่าโกรธหรือ บางทีมันหายโกรธแล้วก็ระลึกได้ขึ้นมาว่าอ๋อมันหายโกรธแล้วเห็นไหมก็คือความโกรธมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วก็สติระลึกรู้ขึ้นว่าอ๋อสิ่งนี้มีแล้วพอสิ่งนั้นดับสติก็ระลึกรู้ว่าสิ่งนั้นดับแล้วก็รู้ไปเล่นเล่นแบบนี้หรือว่าบางครั้งบางคราวมีความสุขมีปิติเลยหรือใครพูดดีๆก็รู้สึกอืมจิตโฟขึ้นเลยรู้สึกยินดีพอใจก็ เอามาเป็นเครื่องฝึกได้ว่าอ๋อเห็นอาการทางจิตมันรู้สึกแบบฟูมันดีใจมันมีความสุขก็รู้มันหรือว่ากลับกันถ้ามีคนอื่นพูดไม่ดีกับเราเนาะพูดร้ายพูดอย่างนั้นอย่างนี้รู้สึกว่าไม่พอใจโกรธโมโหก็ให้รู้จิตว่าอ๋อจิตมันมันเกิดอาการอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็รู้มัน รู้มันรู้ความเป็นจริงแหละในขณะปัจจุบันแหละมันเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยอาการเหล่าเนี่ยทางจิตเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันก็เปลี่ยนเปลี่ยนตลอดเวลาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าเดี๋ยวถูกใจเดี๋ยวไม่พอใจเดี๋ยวมีความสุขเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวเซ็งเดี๋ยวอุดทูเดี๋ยวสดชื่นเดี๋ยวโอ้โหสารพัดจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเมื่อมีสติก็เห็นอาการเหล่าเนี้ยนะ ทีนี้อันนี้เรื่องของดูจิตแล้วเอ า, เอาต่อมาก็เรื่องของดูธรรมะธรรมารมธรรมารมก็คืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเช่นความง่วงความง่วงเหงาเหงานอนอเมื่อง่วงก็รู้ใช่ไหมความง่วงในทุกคนมันก็เกิดไงกับทุกคนอยู่แล้วเมื่อความง่วงเกิดขึ้นก็รู้แล้วว่ามีความง่วงเกิดขึ้นเนี่ยถ้ากับมีสติแล้วแล้วก็มันง่วงมันยังไงยังไงก็รู้มัน แต่อย่าปล่อยให้มันหลับนะถ้าหลับเท่ากับไม่ได้ฝึกสติแล้วเพราะว่ามันรู้อะไรไม่ได้เวลาหลับเพราะฉะนั้นขั้นนี้จะต้องอดทนอดทนคือต้องเปลี่ยนอินสยาบทบ้างในการที่จะให้ให้ผ่านความม่วงหรือทำมารมพวกนิวรณ์พวกนี้เช่นความลังเลสงสัยซึ่งพวกเรานักปฏิบัติธรรมเนี่ยสงสัยเยอะมากเลยสงสัยเรื่องนั่นเรื่องนี้สงสัยเรื่องการพ้นทุกข์สงสัยเรื่องความดับทุกข์สงสัย โลกหน้าโลกนี้สงสัยตายแล้วไปไหนสงสัยนรกสวรรค์มีกี่ชัน้นโอ้ยสงสัยมากมายไอความสงสัยเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะถ้าเราจะเอาความสงสัยมาฝึกสติเนี่ยให้เพียงแค่รู้ว่าความสงสัยเกิดขึ้นแล้วไม่ต้องไปคิดค้นหาคําตอบเพียงแต่รู้ว่าความสงสัยเกิดขึ้นแล้วเพราะการที่รู้ว่าความสงสัยเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละคือกําลังรู้อยู่ กำลังมีสติอยู่รู้สภาวะที่กำลังปรากฏในปัจจุบันแต่ทีนี้มันอดใจไม่ได้สิเนาะโยมพอมันสงสยัยมันอยากจะคิดอยากจะหาคำตอบให้ได้ถ้าหาไม่ได้มันรู้สึกมันคับแข้นใจมันไม่เคลียร์ต้องยอมทาใจก็คือว่ามันไม่เคลียร์ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องให้มีสติสติก็คือเมื่อมีความสงสัยก็คือให้รู้ว่าสงสยัยนี่คือมันมันอยู่แค่ตรงนี้ เราไม่ต้องไปหาคำตอบว่ามันคืออะไรเพราะการหาคำตอบนั่นหมายความว่าการดิ้นรนการคิดค้นการแสวงหาซึ่งมันออกนอกทางของสติแต่ถ้าอยู่ในทางของสติก็คือรู้ตรงๆรู้ซื่อๆไปเลยเมื่อสงสัยก็รู้ว่าสงสัยแล้วก็ต่อมาพอมันอดคิดไม่ได้มันจะคิดต่อใช่ไหมอ๋อก็เห็นความคิดอีกว่าอ๋อมันก็คิดอีกแล้วก็รู้ว่าคิด การรู้ว่าคิดก็คือกําลังมีสติกําลังเห็นจิตที่มันกําลังคิดอยู่อ่าแล้วก็ต่อมาก็ความสงสัยมันอาจจะแผ่วเบาไปแล้วซาไปแล้วก็รู้อีกว่าอ๋อตอนนี้ความสงสัยเริ่มดับเริ่มเริ่มคลายตัวลว้เริ่มจางคลายแล้วอ่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือมันเป็นอุปกรณ์ในการฝึกสติทั้งหมดเลยแต่พวกเรานักปฏิบัติธรรมไม่เข้าใจเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาได้ยินได้ฟัง ทำมาคือยังฟังไม่เข้าใจยังฟังแล้วก็ยังตีความผิดยังเข้าใจผิดพอเข้าใจผิดก็มันก็คิดตามความคิดตามความรู้สึกของเราดิคิดก็คือว่าเช่นมาปฏิบัติธรรมจะต้องมีความสุขมีความสบายจะต้องไม่มีทุกข์อันนั้คือเข้าใจผิดแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเรื่องความจริงนะความจริงที่กำลังปรากฏก็หมายความว่า ร่างกายมันปรากฏอย่างไรก็ให้รู้ว่าอย่างนั้นความรู้สึกอย่างไงนะที่เกิดขึ้นในใจก็ให้รู้ว่ามีความรู้สึกอย่างนั้นอาการทางจิตทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นไม่รู้กี่อาการมันเป็นอย่างไรก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเอาให้ตามที่เราต้องการเช่นไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อแต่ให้เราอยากให้มีความสุขให้จิตสงบไม่ใช่ มันจะเป็นอย่างไรก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นนี่คือหนทางที่ถูกนหนทางที่ถูกทีนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยต่อไปต้องกล้าหารก็คือว่ากล้าหารที่จะยอมรับความจริงร่างกายมันเป็นอย่างไรละ่ะเช่นร่างกายเดินยืนนั่งนอนก็รู้มันร่างกายมันเจ็บมันปวดมันป่วยมันเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนก็รู้มันนะเพราะมันกําลังแสดงความจริงอยู่ จิตใจที่มันมีความสุขความทุกข์บ้างความสบายใจบ้างไม่สบายใจบ้างโกรธบ้างอะไรต่างๆนั่นแหละมันกําลังแสดงความจริงของมันว่ามันเป็นธรรมชาติที่กําลังปรากฏซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบุคคลของสิ่งใดเมื่อมีเหตุให้มันเกิดมันก็ต้องเกิดไม่มีเหตุให้เกิดมันก็ไม่เกิดให้รู้ความจริงแบบนี้นี่เขาเรียกว่าเดินปัญญาเดินปัญญาคือให้เห็นความจริง เพราะความจริงเนี่ยมันก็แสดงไตรลักษ์ให้เห็นคือมีการเกิดขึ้นบ้างมีการเสื่อมไปบ้างทุกอย่างอะ่ะเราลองทบทวนอารมณ์ตัวเองก็ได้ว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยร่างกายมันเปลี่ยนไหมล่ะ ก, ก็เปลี่ยนมาตลอดจากเด็กก็เป็นเด็กโตเป็นหนุ่มเป็นสาวต่อมาก็เริ่มแก่ร่างกายมันเปลี่ยนสภาพหมดเลยมันไม่ได้อยู่ในสภาพเดิมถ้าอยู่ในสภาพเดิมแสดงว่าตั้งแต่เราเกิดตัวก็เท่าเดิม แล้วก็อยู่ยงคงกระพันหมายความว่าอายุหมื่นปีแสนปีล้านปีกี่ปีกี่ปีมันก็ไม่เปลี่ยนมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะธรรมชาติพวกนี้เป็นธรรมชาติที่เปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นมันจะเปลี่ยนอย่างไรก็ตามรู้ตามเห็นแล้วก็จะเข้าใจธรรมชาติของกายของใจว่ามันเป็นเช่นนั้นเองแล้วก็จะเข้าใจเรื่องว่ากายใจเนียมันไม่ใช่เราร้อยเปอร์ซเพราะว่าถ้ามันเป็นเรา เราจะต้องสั่งมันได้ให้เป็นไปตามใจหวังเนาะจะสั่งให้มันเป็นอย่างนี้ก็สั่งได้สั่งว่าอย่าเป็นอย่างนั้นก็สั่งได้แต่ความจริงอ่ะมันไม่ใช่เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดมาเพื่อต้องเพื่อให้พ้นทุกเนี่ยจะต้องยอมรับความจริงทุกอย่างนะยอมรับความจริงก็คือยอมรับสิ่งที่กำลังปรากฏเฉพาะหน้าไม่ว่าจะปรากฏภายนอกตัวเราอะไรเกิดขึ้นก็อ๋อเข้าใจ ยอมรับได้ว่าอ๋อมันเป็นเช่นนั้นอะไรที่เกิดขึ้นในตัวเราในทางร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีมันเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วยอมรับได้การยอมรับอันเนี้ยเขาเรียกว่าทำให้ใจไม่ทุกข์รวมถึงว่าอ๋อการยอมรับแบบนี้เนี้ยเท่ากับว่าเป็นการปล่อยวางปล่อยวางคือไม่ได้ยึดถือไม่ได้ไม่ได้ยึดถื อ, ถอคือไม่ได้ยึดที่จะให้มันเป็นอย่างนั้นคงที่ถาวร หมายความว่าปล่อยให้มันเป็นไปตามที่มันเป็นที่หลวงพ่อพูดมาทั้งหมดเพียงแต่ฟังอย่างเดียวไม่สำเร็จประโยชน์จะต้องไปไปพิจารณาอย่างที่หลวงพ่อเล่ามาทั้งหมดนี่แหละพิจารณาเป็นเรื่องเรื่องก็ได้เป็นทีละอย่างก็ได้หรือแบบแบบสังเกตเป็นขณะปัจจุบันไปอย่างนี้ก็ได้แต่ทำด้วยไม่ใช่ว่าด้วยความอยากได้อยากมีอยากเป็นเพียงแต่ว่าให้รู้แบบ ให้รู้แบบอย่างปกตินะให้รู้อย่างปกติมันไม่ยากหรอกรู้อย่างปกติก็คือก็ไม่ต้องทําอะไรท้ว่ากันเนาะหลวงพ่อยกตัวอย่างเรื่องการไม่ไม่ต้องทําอะไรนะสมมตินะสมมติพวกเรานั่งอยู่เนี่ยสมมติโยมนั่งให้สบายก่อนนะจัดจดจะนั่งพเพียบจะนั่งขัดสมาธิจะนั่งท่าไหนนั่งเก้าอี้อะไรก็แล้วแต่โยมจัดให้เรียบร้อยก่อนนั่งให้สบายน ะ, อ, ะอันนี้มันเป็นคล้ายๆว่าอ่ะเตรียมพร้อมสักหน่อยนะึ ทีนี้เมื่อนั่งได้เสร็จเรียบร้อยแล้วยมก็นั่งเฉยๆนะมไม่ต้องทาอะไรยมจะนั่งปิดตาหรือลืมตาก็ตามใจนั่งให้สบายแล้วก็ระหว่างนั่งเนี่ยถ้ายมไม่หลับเสียก่อนนะถ้ายมไม่เมอเผอเพลิพนไปคิดอะไรที่มันเพลินๆมันก็จะสังเกตเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยมันจะสังเกตเห็นก็คือเช่นหลวงพ่อชี้นาก็แล้วกันนะเช่นยมนั่งปิดตา ทีมเรียกทีเรียกว่าโยมนั่งสมาธินะพอโยมนั่งปิดตาปั๊บเนี่ยมันก็จะเห็นเห็นตัวเองเพราะว่ามันเคยเห็นตัวเองในกระจกแล้วนี่มันก็จาได้ใช่ไว่าตัวเองเนี่ยรูปทรงยังไงแต่ตอนเนี้เราไม่ได้ดูกระจกแต่มันสามารถรู้ตัวเราได้ว่าเราเนี่ยนั่งในท่าไหนยังไงขามันอยู่ตรงไหนยังไงมันซ้อนมันทับกันยังไงมันก็จะเห็นตัวเอง แต่การเห็นตัวเองตรงเนี้มันไม่ได้เห็นด้วยตาแต่มันเห็นด้วยด้วยใจนะมันรู้ด้วยใจมันรู้เลยว่าตัวเรานั่งตัวตรงหรือนั่งตัวเอียงหรือนั่งลืมตาหรือนั่งปิดตามือขวาทับกันตรงไหนยังไงมันก็รู้หมดเห็นมเพราะมันมีสติไงจึงรู้ตัวเราได้แล้วพอนั่งไปสักพักเนี่ยนั่งไปเรื่อยๆเนี่ยนั่งดูอย่างนี้เรื่อย แล้วก็ต่อมามันก็จะเริ่มเห็นความเจ็บความปวด เ, เริ่มมาแล้วไอตว้ตัวตัวเมื่อยตัวตัวเปวดิดตัวปวดน ะ, เ, ะเริ่มมาเริ่มมาให้เห็นแล้วเริ่มมาให้รู้แล้วก็รู้อยู่รู้อยู่แล้วก็อย่าเพิ่งขยับตัวเพื่อจะรู้ต่อไปว่าความเจ็บความปวดมันเป็นยังไงต่อก็รู้เป็นปัจจุบันไปเรื่อยรู้แล้วระหว่างรู้ความเจ็บความปวดความป่วยเนี่ยมันก็ยังรู้ได้อีกนะว่าตัวเองยังนั่งอยู่ยังนั่งในท่าไหนเนี่ย คือรู้แบบรวมๆไงเราไม่ได้เพ่งความเจ็บความปวดอย่างเดียวแต่เรารู้ทั้งตัวก็จะเห็นตัวนั่งอยู่แล้วก็เห็นความเจ็บความปวดยึกยึยึดยห ร, รือบางทีเห็นความคันเนาะเดี๋ยวคันแขนคันขาคันหัวคันหน้าเ อ, อ้ยมันยุบยิบไปหมดเลย ม, ลมันคันเนี่ยเนี่ยเราเนี่ยมันกําลังสแสดงอยู่นั่นแนหะแล้วก็มันก็จะมีสติเป็นผู้ดูเนาะเป็นผู้ดูแล้วก็อ่ะมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ แล้วก็ระหว่างที่แบบเนี้ยมันก็จะมีความคิดผุดขึ้นในใจมันก็แล้วแต่มันจะคิดะนะแต่ก็รู้ได้ว่าโอ้ขณะที่นั่งอยู่เนาะมันก็มีความคิดด้วยความคิดมันก็คิดเช่นอาจจะคิดแวบไปคิดเรื่องงานแวบคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงใครก็แล้วแต่มันเป็นแวบแวบแต่ถ้ามันไม่แวบอะคือมันคิดมันไปคิดนานแล้วแล้วก็ไม่รู้ตัว แต่ถ้ารู้ตัวเนี่ยจะรู้เลยว่ามันซ้อนขึ้นมาแบบแว บ, บๆแต่ก็มันไม่ได้ไปคือมันไม่ได้หลงไปตามความคิดเนาะเพียงแต่รู้ว่ามันแว บ, บๆอ่าพอเป็นอย่างเงี้ยนี่เท่ากับ ว, ว่าเห็นความคิดแล้วก็พอนั่งไปนั่งมาเอาก็เห็นความเจ็บความปวดมากขึ้นอีกอ่าแล้วก็มีการขยับมีการดิ้นๆินมีการอะไรนิดหน่อยมีการขยับอะไรแล้วแต่แล้วก็นั่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งนั่งไปนั่งมาอาจจะจิตมันมีความส ง, งบ มีความสุขแล้วก็จะรู้ได้ว่าโอ้มันสงบมากนะเนี่ยเออแล้วในตอนนั้นนะความคิดมันก็บรรยายมันก็ภาคไปเรื่อยเนาะมันก็พูดภาคไปเรื่อยโอ้สงบโอ้สงบมากเลยโอ้เราไม่เคยปฏิบัติถึงขั้นนี้นี่คือความคิดเห็นไม้มก็จะเห็นความคิดแล้วก็พอนั่งไปเรื่อยๆอีกนะความเจ็บความปวดมันอาจจะมากขึ้นหรืออาจจะไม่มีก็ได้แล้วแต่ก็รู้ได้หมดแต่แน่ๆอ่ะ ต่อไปไตท้ายเนี่ยมันจะเกิดความเบื่อพอแล้วพอสมควรแล้วง่วงนอนแล้วเห็นไหมความง่วงเริ่มมาเนาะง่วงนอนนยก็รู้ได้นะความง่วงเกิดขึ้นก็รู้ได้ความง่วงนอนก็เกิดขึ้นก็รู้ได้มันเบื่อเกิดขึ้นก็รู้ได้แล้วก็ความคิดบอก buh, เลิกเลิกเลิกิพ อ, ก, อก่อนพอก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำใหม่นเนี่ยเนี่ยหลวงพ่อบอกแนวทางก็คือว่าสิ่งเนี้ยมาฝึกได้หมดมาฝึกรู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นในตัวเรา แล้วก็เห็นรู้ไม่ได้ห้ามสักอย่างการที่เห็นที่รู้หลงเนี้ยมันจะทําให้เห็นความจริงว่าทุกอาการที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเกิดเองนะเราไม่ได้เป็นผู้ทําเกิดมันเกิดเองมันแปลเปลี่ยนเองนะก็อย่างเมื่อกี้แนหะที่บอกว่าเราไม่ได้ทําอะไรเราไม่ได้ทําอะไรแต่มันเกิดเองเป็นเองตรงนี้เลยทําให้เข้าใจได้ว่าอ๋อใช่แล้ว สิ่งที่มันเกิดเองมันแปลพวนเองไงเราไม่ได้ทำมันเป็นเองเพราะฉะนั้น่ะในอาการที่มันเกิดขึ้นมันเปลี่ยนแปลงอ่ะมันไม่ใช่เรามันแค่เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นแล้วมันก็สลายหายไปนะเกิดขึ้นแล้วก็สลายหายไปเมื่อทํามา ก, มากเนี่ยปัญญานะปัญญาก็จะเกิดและก็จัพอกพูนในทางปัญญาคือสามารถรู้แจ้งเห็นจริง ชัดขึ้นชัดขึ้นว่าในตัวเราเนี่ยทุกกิริยาอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยล้วนแต่มันเกิดเองเป็นเองทั้งหมดทั้งสิ้นเราไม่ได้ทำสิ่งนั้นเราไม่ได้เป็นผู้ปรุงแต่งแต่มันปรุงแต่งของมันเองตรงนี้มันจะเป็นปัญญายิ่งขึ้นไปสุดท้ายเนี่ยจิตมันยอมรับได้เลยว่าทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยมีแต่ธรรมชาติที่มันเป็นเองไม่มีเราสักกันนิดหนึ่งไม่ว่าจะตรงไหนยังไงก็ไม่มีเรา แต่มันอาจจะยังมีความรู้สึกก็ว่าเป็นเราอยู่แต่ความรู้สึกนั้นมันก็เป็นแค่ความรู้สึกซึ่งสติก็รู้ได้ว่า methods, อ๋อมันรู้สึกอย่างนั้นก็ไม่ได้ห้ามอะไรไม่ต้องไปผักไสไม่ต้องไปทําลายเพียงแต่ว่ามันยังรู้สึกว่าเป็นเราอยู่ก็รู้ก็รู้ก็รู้รู้ตามที่มันรู้สึกนั่นแหละว่าอ๋อมันรู้สึกว่าเป็นเราก็ไม่เป็นไรแต่มันก็เป็นแค่ความรู้สึกแล้วความรู้สึกเนี่ยมันก็เปลี่ยน บางวันบางครั้งบางเวลามันก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นเราหรือไม่ได้รู้สึกว่าไม่เป็นเรามันมันไม่มีทั้งเป็นเราแล้วก็ไม่มีทั้งไม่เป็นเราคือมันหายไปเลยอ่ะอ่าอนเนี้ยก็แสดงว่าความเป็นเราหรือความไม่เป็นเราเนี่ยมันก็เกิดแค่บางครั้งบางคราวเมื่อมันคิดนึกขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็ถ้าคิดว่าเป็นเรามันก็เป็นเราถ้าคิดว่าไม่เป็นเรามันก็ไม่เป็นเรา แต่จะคิดยังไงก็ตามมันก็คือความคิดแล้วความคิดนี้มันก็ดับไปมันไม่เที่ยงเวลาหลับไปมันก็ไม่ได้คิดใช่หเวลากำลังทำงานเรื่องอื่นมันก็ไม่ได้คิดเรื่องว่ามีเราหรือเปล่าหรือเราไม่มีมันก็ไม่ได้คิดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวความคิดเนี่ยไอ้ตัวร้ายที่สุดคือมันสามารถคิดให้เป็นอะไรก็ได้คิดว่าเราเป็นเรามันก็เป็นเราก็เป็นถ้าคิดว่า ร่างกายนี้เป็นเรามันก็ก็จะเป็นเราถ้าคิดว่าร่างกายนี้ไม่เป็นเรามันก็จะจะว่าไม่เป็นเราเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ความคิดแต่เนื่องจากว่าความคิดเนี่ยมันเป็นสังขารมันเป็นอนัตตาเหมือนกัน <c oughs> คือบังคับไม่ได้มันจะคิดอย่างนั้นเราก็บังคับไม่ได้ว่าอย่าคิดหรือมันไม่คิดอย่างนั้นเราก็จะบังคับให้คิดมันก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นมีสติรู้เท่าทันความคิดมีสติรู้เท่าทันความคิดนั้นหมายถึงว่าเมื่อมันคิดก็ให้รู้ว่าเออมันคิดไม่ต้องไปห้ามไม่ต้องไปขมไม่ต้องไปสะกดให้มันหยุดเพียงแต่รู้ว่ามันกำลังคิดการที่รู้แบบเนี้ยเขาเรียกว่ารู้และก็ไม่เข้าไปเป็นไม่เข้าไปเป็นกับอาการที่เกิดขึ้นได้แต่รู้ได้แต่เห็นนะ ทีนี้ว่าผู้ที่ไม่ฝึกสติไม่มีทางที่จะรู้ตามที่หลวงพ่อชี้ทางแบบนี้ได้เลยการที่ไม่มีสติ <S <s การที่ไม่มีทางที่จะรู้อย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ย <S <s เขาเรียกว่าหลงหลงคนเราเกิดมาเนี่ยถ้าไม่ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าไม่ฟังธรรมไม่ฟังจากผู้รู้ในเรื่องคำสอนพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีวันที่จะรู้เรื่องนี้ได้เลย เพราะฉะนั้นเขาเกิดมามีแต่ความหลงแล้วก็ตายเปล่าไปนะเรียกว่ามามืดไปมืดเลยนะไม่รู้แจ้งไม่รู้แจ้งในสัจธรรมไม่รู้แจ้งความจรงิงก็เสียชาติเกิดปเปล่าแต่ถ้าผู้ที่ได้ยินได้ฟังคําสอนนะหรือว่ามีผู้มาบอกคําสอนแล้วก็เห็นตามแล้วก็ไปเพิ่มเติมคือไปฝึกนะไปฝึกอย่างที่หลวงพ่อแนะนําอย่างเข้าๆ เ, เนี่ย แล้วก็จะเห็นตามความเป็นจริงขณะใดที่รู้กายขณะใดที่รู้ใจตรงนี้เขาเรียกว่ารู้แล้วรู้แล้วเพราะฉะนั้นหลงคือไม่รู้ไม่รู้ตัวถ้ารู้ตัวเขาเรียกว่าไม่หลงเพราะฉะนั้นหัวข้อที่หลวงพ่อตั้งเอาไว้เนี่ยเปลี่ยนหลงเป็นรู้ก็คือว่าจากไม่รู้เปลี่ยนมาเป็นรู้เสียแต่เนื่องจากว่า รู้มันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็หลงอีกก็คือลืมตัวอ่าอันนี้ก็เรียกว่าหลงแล้วพอรู้สึกตัวก็คือระลึกได้ขึ้นมาว่าตัวกำลังเดินกำลังนั่งกำลังนอนหรือว่าจิตใจมันมีความโกรธความรักอะไรก็แต่ระลึกได้ขึ้นมาแล้วก็เกิดการรู้ตัวออย่างนี้เขาเรียกว่ามันก็มาเปลี่ยนเป็นรู้แต่รู้กับหลงมันยังสลับหน้ากันอยู่เพราะมันเป็นของไม่เที่ยงทั้งคู่ เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้จะให้หลงอย่างเดียวก็ทำไม่ได้จะให้รู้อย่างเดียวก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมันหลงแล้วรู้อย่างนี้เ็าเรียกว่าเปลี่ยนเป็นรู้แล้วเพราะฉะนั้นคำว่าเปลี่ยนหลงเป็นรู้ก็คือเมื่อมันหลงแล้วก็รู้อย่างนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็จะรู้จักเองว่าหลงเป็นยังไงรู้เป็นอย่างไรหลงก็คือ หลงพ่อทบทวนก็คือว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดมาเนี่ยเช่นเมื่อกี้บอกว่านั่งเนาะเริ่มแรกหลวงพ่อบอกว่ า, อาลองนั่งไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ให้รู้ตัวว่าเนี่ยตัวนั่งอยู่เนี่ยเริ่มจากตรงนี้แล้วตอนแรกมันก็รู้อยู่นะว่าตัวนั่งอยู่แล้วต่อมามันคิดเพลินเนาะป่อคิดเพลินตรงนั้นแหละลืมละลืมตัวเพราะว่ามัวแต่คิดมัวแต่คิดแก้ปัญหาเรื่องงานมากมัวแต่คิดเรื่องลูกเรื่องเต้า จนลืมตัวไปเลยว่าไม่รู้ว่าตัวเองนั่งแล้วตอนนี้หลงแล้วอยู่ๆมันระลึกได้ขึ้นมาว่าเอ้ยเมื่อกี้ลืมตัวเนี่ยมันกัดชาขึ้นมากระชาขึ้นมาเหมือนกับมันกระตุกให้กลับมาว่าอ๋อนี่ตัวนั่งอยู่นี่แต่เมื่อกี้นี่มันดันไปคิดมันหลงไปคิดก็เลยรู้จักว่าหลงเป็นยังไงและรู้เป็นยังไงถ้าโยมเข้าใจตรงนี้ต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นแล้วว่า อะไรคือหลงอะไรคือรูนะ้อันนี้ก็คือเป็นความรู้ในเบื้องต้นที่จะต้องฝึกให้มีมีในลำดับต้นๆแต่ในชั้นกลางในชั้นลึกซึ่งมีรายละเอียดมากกว่านี้แต่มันก็ต้องเริ่มต้นก่อนเนาะจะมีเลขหนึ่งเลขจะมีเลขสองเลขสามมันจะต้องมีเลขหนึ่งก่อนอเมื่อมีเลขหนึ่งแล้วเดี๋ยวเลขสองเลขสา ม, มันก็ไปตามลาดับนั้นหลวงพ่อก็ฝากไว้นะที่ทุกพูดมาเนียอย่าฟังอย่างเดียวแล้วก็ ผ่านไปต้องไปฝึกผลด้วย